ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชินาลังการะดีกาพระพุทธรักิตาจารย์ชาสีลังการ จ, จนาถึงมหาการณาสมาปฏิยานซึ่งได้เอาอรักถาของมหาการณาสมาปฏิยานในปฏิสัมมิธามักมากล่าวในเรื่องของ อาศัาธารรมญาณด้วยต่อไปโลกสันนิวาตมุ่งร้ายกันเพราะอาคาตะวัตุสิทธิ์ถศาใหิอาคาตะวัตถุหิอาคาโตอาคาตวัตถุก็หมายถึงวัตถุที่เป็นที่ตั้งของความโกรธซึ่งได้แก่ความคิดหรือว่าการที่มีอโยนิโสมนติการเกิดขึ้นโดยไม่แยกคาย ในเรื่องที่เป็นไปในอดีตอนาคตปัจจุบันนะซึ่งก็คิดว่าเขาเคยทำความไม่ดีแก่เราหรือว่าจักทำความไม่ดีแก่เราหรือว่าหรือว่าจักหรือว่ากาลังทำความไม่ดีแก่เราอดีตอนาคตปัจจุบันหรือว่าเคยทำความไม่ดีกับคนที่เรารักจักทำความไม่ดีกับคนที่เรารักหรือว่ากำลังทำความไม่ดีกับคนที่เรารักอยู่หรือว่าไปทำสิ่งที่มีประโยชน์กับคนที่เราเกลียด ในอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันนะแล้วก็เหตุทไม่สมควรเช่นไปเตะต่อเตะน้ำเตะเก้าอี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโทสะอันนี้ก็เรียกว่าอาคาตะวัตุสิบก็เป็นผู้ที่เพิ่มความอาคาตเกิดขึ้นในฐานะที่ไม่สมควรนะต่อไปโลกสันนิวาประกอบด้วยอากุสเลกรมบดสิบท้าสหิอากุสเลหิกรมะปัเทหิ รันนาคโตชื่อว่าอากุศลกรรมบดเพราะว่าอากุศลเหล่านั้นนั้นเป็นทางแห่งทุกติกายะทุจริตสามวิจิตรจริตสี่มโนทุจริต ส, สามนะก็เป็นเหตุที่จะทําให้ไปสู่ทุกติเป็นหนทางเป็นทางออกของกรรมที่จะทําให้ไปสู่ทุกติโลกสันนิวาถูกสัโญญาติเกี่ยวคล้องไว้จ้าสหิสัญโยเชนหิสัญ ย, ยุตโตเกี่ยวคล้องไว้ด้วยสัญญาติเครื่องผูก เครื่องโยงใยเกี่ยวคล้องก็ได้แต่การมราคะปฏิคะมานะทิฏฐิวิจิกริชฌาสิลปปตปรามาภวราคะอิสสามัฉรยิยะอวิชานะนี่ก็โดยในของพระพิธรรมนะโดยในของพระสูตรก็สังยดเบื้องต่ำห้าสังยดเบื้องสูงห้าหลายสกายทิฏฐิวิจิกิจฌาสิลปปตปรามาธการมราคะาปฏิคะอันนี้ก็สังยดเบื้องต่ำเบื้องสูงก็รูปราคะอรูปราคะ มานะทิฏฐิอวิช า, ามานะ อ, าอุทจจะอวิชาอันนี้ก็สังเกตเบื้องสูงละได้ด้วยพระอรหันต์สังเกตเบื้องต่ำก็ละด้วยอานาคามิมักสังเกตเบื้องสูงละด้วยอาถัตตมักโลกสันวิวาเป็นผู้ดิ่งลงเพราะมิฉัตตะสิทธาสาหิมิชตเตหินิยโตแะก็เป็นความผิดสิบประการซึ่งก็จากมิฉัตตะแปดอย่างก็เพิ่มมิชายานะ ก็คือโมหะที่คิดอุบายทําความชั่วนะแล้วก็พิจารณาถึงว่าเราทําความชั่วเป็นการกระทําของตนเองเลยนะเป็นการพิจารณาด้วยโมหนะนั่นแหละนะก็เป็นมิจฉาญานะส่วนมิจฉาวิมุตติก็เป็นผู้ที่ไม่พ้นแต่ว่าสําคัญว่าพ้นเข้าใจว่าพ้นแล้วอันนี้ก็เป็นความหลุดพ้นผิดนะซึ่งก็เป็นไปกับอกุศลนั่นแหละโลกสันนิวาสประกอบด้วย มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุถสิบทษะวัตถุกายะมิจฉาทิฏฐยาสมณะฆโตก็ได้แก่อะไรบ้างก็พวกเห็นว่าทานไม่มีผลนาถิทินานางนาถิยิฐถังการบูชาไม่มีผลนาถิหูตังการบวงสวงไม่มีผลแล้วก็มันดาบิดาไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มี นะแล้วก็การทําความดีความชั่วไม่มีผลนะพวกนี้นะโอปปาติกะไม่มีสมณะพรามบุธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงนะรอาจารยสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีอยู่จริงหรอกไม่ตัดสรู้จริงพวกนี้เป็นอจิตทิวัตถุสิบประการอ่านะคนมีความเห็นผิดนะเป็นสิจะต้องละไม่งั้นก็ไม่ไเจริญงอกงามในกุศลธรรมในธรรมวินัยนี้ด้วย โลกสันนิวาสประกอบด้วยอันตะคาหิกะทิฏฐิมีวัตถุสิทธิ์เหมือนกันทัาศาวัตถุกายะอะอันตะคาหิกะทิฏฐยาสมณนนาคโตอันนี้ก็เป็นอันตะคาหิกะทิฏฐิที่ถือเอาส่วนสุดอย่างใดอย่างหนึ่งนะเช่นโลกมีที่สุดไม่โลกไม่มีที่สุดโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกขาดศูนย์ไม่ขาดศูนย์บางส่วนขาดศูนย์บางส่วนส่วนไม่ขาดศูนยอะไรพวกเนี้ย นะก็ถือเอาที่สุดแห่งโลกอันนี้ก็เป็นเจ้าความคิดเจ้าความเห็นก็ไม่สามารถที่จะดองอยู่ในร่องรอยความเป็นจริงได้ดังนั้นก็เป็นต่อเป็นหนามในจิตใจไม่สามารถที่จะปลูกพืชพันธุ์านารเจริญ ง, งอกงามด้วยอริยมรดได้โลสานิว่าต้องเนิ่นช้าเพราะตันหาเครื่องให้เนิ่นช้าร้อยแปดอัตตะสตะตันหาปปัญเจหิปปันจิตโตเครื่องเนิ่นช้านี่ก็ มีสามประการนะนะหลักใหญ่ๆสามประการก็คือตัณหามานะกับทิฏฐิแต่ว่าตัณหาสามารถแยกออกไปได้เป็นร้อยแปดอย่างเลยเนิ่นช้าทําให้เนิ่นช้าอยู่ในสังสารวัตคือให้อยู่นานในอารมณ์หรือว่าในสังสารวัตนั่นเองก็ตัณหาสามนะการมาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภาวาตัณหาคูณอารมณ์หกนะก็เป็นสิบแปดนะสี่เทียงยินแล้วผลพระธรรมอารมณ์เป็นภายในสิบแปดภายนอกสิบแปดแล้วกลายเป็นสามพิกกสามพกก็ 6, คูณอดีต นาอดีตสันทกปัจจุบันสันทกอนาคตสันภปก็เลยเป็นร้อยแปดพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาเห็นอยู่ว่าโลกสันนิวาสถูกทิฏฐิหกสิบสองกลุม่มรุมทวาว่าสัตธิยาทิฏฐิคาเตหิปริยุทธิโตจึงแผ่พระกรุณาไปในหมู่สัตว์ทั้งหลายว่า ก็เราแลเป็นผู้ข้ามไหนแล้วแต่สัตว์โลกยังข้ามไม่ได้อาหารจาหิตินโนโลโกจะอตินโนเราเป็นผู้พ้นแล้วแต่สัตว์โลกยังพ้นไม่ได้อาหารอาหารจำหิมุตโตโลโกจะอะมุตโตเราทรมานได้แล้วแต่สัตว์โลกยังทรมานไม่ได้อาหารจาหิดันโตโลโกจะอดันโต เราสงบแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่สงบอาหารจำหิสันโตโลโกจะสันโตเราเป็นผู้เบาใจแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่เบาใจอาหารจำหิอัดสัตโธโลโกจะอนัสสัตโธเราเป็นผู้ดับรอบแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ดับรอบอาหารจาหิ ปรินิพุตโตโลโกโจะอะปรินิพุตโตเพราะฉะนั้นก็ทิฏฐิหุนสองนี้ก็เป็นพวกอะไรบ้างสัตสตะกับอุเฉธะนะถ้าสรุปแล้ ว, ล ว, ลวก็เป็นไปในอผุพันตะอในอาการกล่าวส่วนการที่เป็นอดีตสิบแปดที่เหลือสี่สิบสี่ก็เป็นพวกการกบอนาคต นะพวกอะไรพวกเห็นว่าเที่ยง เ, เห็นว่าขาดศูนย์เที่ยงบางส่วนอันตะคะ อ, อันออันตานันติกะมีที่สุดก็มีนะมราวิเขปะพวกปาไหลอธิจะสมุปปนะเกิดขึ้นเลยลอยอพวกสัญญีวาทะ เ, าเห็นว่ามีสัญญาผวาสัญญีวาทะไม่มีสัญญาในว่าสัญญีนาสัญญีวาทะอพวกอุเจทะพวกคิดทะธรรมนิพพาน นะครับเป็นทิฏฐิโหตสิระการนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงกรุณามากทรงปาราบนะพระองค์เองแล้วก็ปาราบสัตว์โลกว่าพระองค์ก็ข้ามได้แล้วแต่ว่าสัตว์โลกนั้นยังข้ามไม่ได้เพราะว่าพระองค์นั้นทรงข้ามด้วยแพรก็คืออริย ม, ร, นนมรรต์ด้วยศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าสัตว์โลกก็ยังไม่มีแพรใครที่กําลังผูกแพรเตรียมทุ่นไว้ก็มีโอกาสในการที่จะข้ามได้แต่ว่าใครที่ยังไม่เตรียมแพรเตรียมทุ่นก็ยังจะต้องจมอยู่ในสังสารวัตร ทะเลห่วงแห่งมหนันโนบนี่แหละพระองค์เป็นผู้ที่พ้นแล้วแต่ว่าสัตว์โลกนั้นยังไม่พ้นพระองค์พ้นด้วยอะไรก็พ้นด้วยวิมุตติห้าตะทังคะวิมุตติวิคัมพะนะวิมุตติสมุเฉธาวิมุตมม ต, ติแล้วก็ปฏิปัฏฐิวิมุตตินิสตรณะวิมุตติของเราก็พ้นได้บางครั้งบางคราว ด, ด้วยตะทังคะแต่ว่าพวกวิคัมพะนะก็เมื่อไหร่ทําสมาธิําฌานก็อ่าก็พ้นได้ ชัวคราวเหมือนกันแล้วก็สมมตเฉียท้าก็ยังไม่มีนะแั้วก็อบรมให้มีให้พ้นได้จริงๆพระองค์ก็ทรงทรมานพระองค์แล้วด้วยสิกขาสารนะเรานี่ก็ยังทรมานอยู่กําลังทรมานได้บ้างไม่ได้บ้างก็ฝึกฝนอบรมอดทนในการทีร่จะฝึกตนทรมานตนด้วยไตรศิกขาเครื่องฝึกตนที่พระเจ้าทรงประทานให้แล้วพระองค์นั้นทรงสงบแล้วแต่สัตว์โลกนั้นนะ่ะยังไม่สงบพระองค์ก็สงบจากอวิอสงบ จากกิเลสอกุศลมิตกทั้งหลายสงบด้วยวิเวกสามอย่างกายย่วิเวกจิตตวิเวกแล้วก็อุปัติวิเวกพเราก็พยายามน้อมไปในการที่จะมีกายย่วิเวกน้อมจิตให้สงบจากนิวรณ์ได้เมื่อไหร่ก็เป็นจิตตวิเวกนแล้วก็เมื่อไหร่ที่ตัสรู้อริมัส ก, ก็จะเป็นอุปัติวิเวกพระองค์เป็นทรงอพระองค์เป็นผู้เบาใจแล้วสัตว์โลกยังไม่เบาใจถึงความโล่งอกอย่างยิ่งนะ เพราะว่าถึงฝั่งคือพระนิพพานไม่ต้องหนัก อ, อกหนักใจกับทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่ว่าของเราเองก็ยังจะต้องหนักใจอยู่นะเพราะว่าอกุศลก็ทําให้หนักแล้วก็วยังจะต้องหนักต่อภาชนะก็คือทุกข์คือขันห้าที่ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปรับใช้อยู่ตลอดเวลาพระองค์ก็ไปพูดที่ดับรอบแล้วแต่ว่าสัตว์โลกนั้นยังไม่ดับรอบอทรงดับด้วยสัพปานิเสสานิพพานก่อนแล้วก็อนุปานิเสสนิพพานก็หมดทุกข์สิ้นเชิงไปแล้ว พาาระอรหันต์ทั้งหลายก็ดับทุก์หมดทุกดับรอบตามพระพรุทธเจ้าแล้วก็เหลือแต่เรานี่แหละเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะดับกิเลสพยายามที่จะดับทุกโดยการน้อมไปในพระนิพพานโดยการอบรมเจริญอริยมรรคนะก็เราเป็นผู้ข้ามได้แล้วจะช่วยให้สัตว์โลกข้ามได้ด้วยเราเป็นผู้พ้นแล้วจะช่วยให้สัตว์โลกพ้นได้ด้วยเราทรมานได้แล้วจะช่วยให้สัตว์โลกทรมานได้ด้วย เราเป็นผู้สงบแล้วจะช่วยให้สัตวโลกสงบได้ด้วยเราเป็นผู้เบาใจแล้วจะช่วยให้ตัดโลกเบาใจได้ด้วยเราเป็นผู้ดับรอบแล้วจะช่วยให้ตัดโลกดับรอบได้ด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตัดรู้แล้วทรงพิจารณาเห็นดังนี้จึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์นี้เป็นมหากรุณาสมาปติยานของพระตถาคต ผู้ทรงเป็นพระสัพพัญยูนะก็ว่ารู้ยยะธรรมทั้งปวงสัพพัญยูก็มีหลายอย่างนะกรมมสัพพัญยนะูรู้ตามลําดับอันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าของเราน ะ, พ, ะพุทธเจ้าของเราไม่ต้องจําเป็นจะต้องรู้ตามลําดับนะส ก, กิ้งสัพพัญยูรู้คราวเดียวพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ได้รู้คราวเดียวนะแล้วก็สตตะสัพพัญยรูรู้ต่อเนื่องเลยนะรู้ต่อเนื่องทุกขณะจิตไม่ใช่หรอกเพราะว่าพวก ระวังว่าอะไรนี้ก็ไม่ได้รู้สิ่งลังปวงตลอดอแล้วก็สติสัพพัญญูรู้ตามกําลังความสามารถอันนี้พระพุทธเจ้าของเรามียาตะสัพพัญญูรู้จันแจ้งแล้วแล้วก็เป็นสัพพัญญูสองประเภทคือสติสัพพัญญูรู้ตามกําลังกําลังสัพพัญญูกําลังรู้ปัญญาของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมหาศาลแล้วก็ยาตะสัพพัญญูรู้ในสิ่งที่รู้แจ้งการรู้ยยธรรมยยธธรรมก็มีห้าอย่างก็คือ สังขารก็หมายถึงจิตเจสิกรูปนั่นแหละวิการก็ได้แก่ความแปรไปความวิการลักษณะก็ได้แก่พวกไตร ล, ลักษณ์แล้วก็นิพพานแล้วก็บัญญัติก็เป็นสิ่งที่ครอบคลุมหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละยศธรรมเนี่นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็้รงมีพระกรุณาต่อพวกเราทั้งหลายผู้เป็นเวไนยตัดพอที่จะแนะนาได้ใครก็แล้วแต่ที่ได้รับคาสอนของพระสัมมา ส, มาสัมพุทธเจ้าก็แสดงว่า เป็นเวนัยยะเป็นผู้พอที่จะรู้นะแต่ว่าความรู้มีหลายอยางรู้โดยการประชักแจ้งรู้โดยการเรียนรู้ของเราก็ชื่อว่าเป็นพุทธะได้เหนึ่งกันเพราะว่าพุทธะนั้นมีหลายประการนะพุทธะเป็นแบบอสัมมาสัมพุทธะนั่นคือพระพุทธเจ้าปัจเจกพุทธะก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็อนุพุทธะหรือว่าสาวกะพุทธะก็หมายถึงพระอริยสาวกของมาตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันหนึ่งก็คือ สุตตะพุทธะุตตะพุทธหมายถึงรู้โดยการฟังโดยการศึกษาพวกเรานี่แหละเป็นผู้ที่รู้ตามการศึกษาถ้าอบรมเจริญภาวนาปฏิบัติธรรมสมคุรแก่ธรรมก็จะได้รู้โดยความเป็นสาวกเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รู้โดยการศึกษาแล้วก็พยายามน้อมนําคําสอนเหล่านั้นเข้ามาไว้ในใจน้อมไปให้เห็นตามความเป็นจริงอบรมศีล ใ, ในฐานะของศีลอบรมสมาธิในฐานะของสมาธิแล้วก็อบรม ปัญญาในฐานะของปัญญาเจริญสมถะวิปัสนาสลับกันไปเป็นกาละกาละกาละสี่อย่างนี้ท่านก็แสดงให้ประพฤติผัดเปลี่ยนโยกย้ายก็สามารถที่จะทำให้ถึงความสิ้นอาสวะได้ก็คือฟังธรรมตามการสนทนาธรรมตามการเจริญสมถะตามการแล้วก็เจริญวิปัสนาตามการซึ่งสําหรับธรรมถะกับวิปัสนานั้นะจะต้องอาศัยฐานก็คือศีลเป็นบาตแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้มีปกติ รักษาศีลมีอินเดียสังวรมีโภชเนมตันยุตามีชาคลิยานุโยกอ่ามีศีลสํารวมอย่างดีอันนี้ก็เป็นอปันนะปฏิปทาก็เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดทำให้สามารถที่จะเจริญงอกงามในพระศาสนานี้แล้วก็สามารถกระทาที่สุดแห่งทุกข์ได้สักวัดหนึ่งวันนี้ก็สมคุณจะเวลานะเพราะว่าคราวหน้าก็จะได้ขึ้นเรื่องของปฏิสัมพิทาสี่ต่อไป ซึ่งเป็นส่วนของพระพุทธญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็ไขท่านทั้งหลายได้ศรัทธาได้ปีติประโมทในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็อบรมเจริญปัญญาผูกความรู้แจ้งเห็นจริงโดยการไม่เนิ่นช้านี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ